อกตั้งใจฟังพิเศษแนะนำขอวัดปฏิบัติอันเหตุการณ์ทำเมื่อท่านตั่งอดลมรมอินทรีหัวโขมมาปฏิบัติขอวัดเหตุยงไรทำอยางไรตั้งอกตั้งใจเข่าพันขาเดาเหดเอาเห็นมันได้หนมันเกิดมันนี้ในโตของโตการปฏิบัติมนต้องอาศัยสติอย่างนี้สติรวมเราลึกใหสัมผััญญาตตัวเองเห็นตัวเองพยายามพยายามพุทธเห็มันในสิมัน เขาขอมา่าตั้งใจมากกระเพื่อวาดีมากเาพ็ดเขาคุ้มง่ามก่วมดีเพ็ดนั่มทาตามแบดบจางของพขาก็ทปเจ้าสี่ส่งแม่น่นไวในเฮ็ดนั่มทำตาเป็นแบดเปนสานท่างาตามเป็นแบบเป็นสบายเป็นหนทางไวในพระกันเดินตามบวชมนเฮ็ดนิ่ได้บวชเข้าจริงทาจริงทำมาบวช เป็นผูรักผูทรคุเลศตัณหาพุวมโลกพุวมโกรธพุวมหลงออกจากใจสละคนละคนไห้มันยั่งแต่มันยั่งอยู่มันติดอยู่มันกับบบเป็นพระให้ได้พุ่มเป็นพระมันต้องละต้องถอนพว่มโลกพุวมโกรธพุวมหลงมันยั่งหมทัานเป็นพระสมมติเหตุคือเขามาเหตุเอาได้ัจเป็นพระบาตรเหตุแต่มันถือต้องตามคำนอกค้องค้ม ตามพระธรรมเราะมีน่อยเห็นมันถือเห็นมันต้องมองเห็นมันชี้นั่นแหละจึงจะเป็นพระได้จนสมุดห้าวคือแล้วสังวรสำรวมระวังกายว่าจาใจของห้าให้ดีๆอยางเห็นมันส่งออกไปตั้งนอการปฏิบัติเห็นบนใจตเองเห็นใจตเอง ว่าใจเห่ามันอยู่ที่ไหนมันตั้งมันบ่มันนี่สมาธิบ่บ่บ น, อบนอยู่ไปใจหมดหมุนไปวุ่นบนอื่นกา ร, นรปฏิบัติเพป็นจ้างให้ น, อน้อมเขาม่าสู่กายตายเป็นฐานที่ตั้งของใจของกายหุน่นเป็นหม่องบนยูบนเศร้าของใจอต่ยท้งออกจากนี้วอนปฏิบัติปฏิบัติที่หนึ่งก็มี คนดังเอิญวาสรมั่ิพุ่มตั้งใจมันมันนี่ตัวเองเห็นใจตัวเองเห็นกายตัวเองอันนี้จังเม่นข้างถือข้างซองมีแรกก็ต้องมีสินตะกอนได้สินนั่นนสิตพัดพุมตัวออกใจเฮามันจังสิมันคุ่งมันจังสิยงซัดต่อของยังเสียงต่อของขันสินบอดีมันก็เป็นเครื่องเปล่ามองใจพอทองใสโฮูห โมเห็นอีนั้งมันโม้อันนี้จิงแล้วแต่มาที่จังสีมันคงต้งโซได้ปัญญามันค่อยสิเกิดมาดอกกันอันนี้แสงกระว่างนี้มันห่างหูต่างกันโลดมันโดนน้ำกันมันแล้วยกันไปไหนพระวันหน้าเบิ้งจังสีดอกเบิ้งโตเองสิ่นโตเองอย่าส่งมาบนอื่นเห็นเจ้าของนียหอกพอเห็นบนอื่นเบิ้งบนบริกรรมห้าหน้าคันบริกรรมพุดโพก็เบิ้งร่มเข่าร่มออก มันหุ่จักอยู่เท่าน hey, like ั้นเบิตัวเองนี่วะเบิ้งแสงไข้ในร่างกายให้มันทุกคนให้มันเห็นแจ้งเห็นชัดขันบมเบิ่งมันโมเห็นนี้ธรรมดาคนมันบมเบิ้งจับของปกติเฮาน่ะมันไปเบิ้งผู้อื่นมันไปเบิ้งทางนอกกายเฮาคุณโมเห็นกายตัวเองจะเคลียไปต่างๆขันบมฟาวันหน้าเน่ยโเห็นหนอกจับของน่ะมันไปเบิ้งผู้อื่นผู้น เบิ <là> ้งเนีกระซางเบื้องเอาผู้อื่นเขาเหตุกันนั่งเขาทำอันนู้เขาโวแนวนั้นเขาเหตุจังสั่นนั่นเบิ้งเรื่องของผู้อื่นบาเบิ้งเรื่องของจักของมันเลยบริญจักรของมานี่เขาจังเบิ้องจักของมาบนิญจะเบื้งผู้อื่นให้มันเห็นจักของชัดเจนมัดผู้แนวใจเฮานั่นมันอยู่ไม่มีเพราะว่าใจนั้นมาอาศัยกายอยู่กายนี่เป็นโลกแบบเป็นธรรมะ กลายเป็นตนข้ามมาเป็นอิญวารูข้ามหน้าข้ามเป็นรงเลี้ยนเป็นมนุึกษาหาควอมูลของใจใจจิตของเมยูนี่กับเพื่ออยากของจักโลกมันมันจิตเป็นจังไรโลกพันมันดูจางไหนกินอย่างไรเป็นยังไรนี่มันมองจักมันได้ขมอายูนี่เพื่อสังเกตเบิงจิตระนาเบิงว่ามันจิตเป็นอย่างไรเมยู่น้งกายกันต้อนโลกัน ก่อนโน่ก่อนไของมันถึงก่อนเหยก่อนมันหลับตาใจเบิกหนุ่อย่าทรงจิตหนีจากนี้บังยันกายเห็นวัดดูแนวมันห้องจิเห็นรอกมันโมนีไปไสมันต้องเห็นมันอยากเที่ยวกัดเที่ยวอยูันร่างกายบังกัดใจใจพุ่งมันเท่าเบาไปนอาการสามสิบสองน่ะมันเห็นเห็นวัดตัวนี้โตตัวของเองบาดมันคือเฮ้าดูเฮื่อนเฮ้ากายเป็นเฮื่อนของเฮ้าเฮ้าคือจัวของเฮื่อนคือใจน่ะ กเบืองกัญญาปฏิบัติรักษาหื่นเจ้าของอันไหนเทอันไหนวางบนไหนเจ้าไหนจ้าไหนมันกวงจักบาทเขาเบืงนั้ทีั้นเ็ตันไหนกลงจักก็าเบือนูนี้มึงในหื่นนนอย่าอกนี้จะนี้อันอกนี้จะมีคเอว่าห้อปัจจุบันเจ้าของมันเลยบ่เห็นบ้านเจ้าของบัตรห้าเกิดใบใหม่ห้องกับปัุเันื่นแน่เสหายเหาของเองสั่นกัเท้ายนี้เอาก็สุดเยหมดเลยนะหมดหมดอะไรสุเช็คเอาของนี้จังสั่นนี่มันดีเองั่น จังยูนีบาตโยไปเบิงกระจายที่ดรามันมีประโยชน์ได mhm, ้บางเบิงไปเบิงไปมันจะเห็นอันนั้นโบเป็นตาเอาสันเหล้วบ้านเขาตเบิงกายเด้มันจะเกิดท่วมเบื่อหน่ายขึ้นดังน้เบิงกายเบิงเนื้อเบิงหนังเบิงตับเบิงไตเบิงไตเบิงพุ่งหลุดนี่จะแน่วโบเป็นตาเอานี่ก็แน่วโบจบนี่จะแน่วบบงามนี่จะแน่วโบเป็นเสือไปไหว้ตะไสอีกต่อไป เบิง่งบนไหนโหลดนี่จะบิ่บนเป็นตะเบิง่งโหลดว่อยากได้บาปเกิดท่วมเมื่อนายขันมันเบิ่งนีมันสีเห็นบนเป็นเสาบิ่งี่จักบนไหนบนสีงามบนไหนบนเป็นไป อ, อยากได้มันนาเบิ่งี่ขมันเบิ่งซอกคนไปคนมาเบิ่งหนาเบิ่งหลังเบิ่งเกิดขึ้นมาแล้วยก็แก่ไปนั่มเจ็บไปนั่มตายไปนํามไปรู้จังสันอาเบิ่งีแนี่ยมันคงต้องโต ว, วัดยง ว่าเป็นตะเอาว่าเป็นตะอยู่ตะเข้าเ้านั่นมาอยู่น้ำของบดเยียงมาอยู่น้ำของเป็นทุกมาอยู่น้ำของมมเด็นโตเป็นตนมอเป็นเข้าเป็นเขามาอยู่เวิ้งคือๆอยากของจักซื่อๆอันนั้นเบงไปอย่างนั้นมันเห็นนะจ๊ะมันตีเบือตีไม้นี่ใจห้องบ้านของกายมันมอมนี่โตมีตนนั่นนะโตตนผู้หูนั้นมอมนี่แต่มันมีรูปแบบแต่โตผู้หูนั้นมอมี้ โตผู้หูในกายนะการท่องโมยูมันโมูหจากยังมันเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมส่มันอยู่ซื่อขันใจว่ามันอยู่มันโมูจากอย่างนบายนี่ใจมายูนั่นเป็นภูมิมาสั้งเกตการณ์นะนะมาพิจารณาเอื้นว่าพาวน่านั่นแหละพาวน่าคือการพิจารณากันเบิ้งของมื่อเบิงนี้มีใจลงมาผูกกางๆเคืองๆยุกกลางๆนั่นแหะใจใจมายูนี่คือยุกเคืงๆนั่นนกลางใจห้องพิจาร มันอยู่ในนี่ในต่างกันในเครืองหันสีเบิง้งไสก็เบิ้งในเพราะเขาอยู่ในเคืองจุดศูนต่างของกายนะเดี๋ยวไปใช้ก็จเห็นในเมื่พอพะใจมันหันเมือนจีตารวจตรวจตาบาในกายของเฮ้าจร ะ, ะส่วนบนไหนเป็นหยางบนไหนเจ็บเจ็บใสมันขงหงจัก บ, บนไหนเป็ในใจไหนใจไหนหงจักเมืมันเบิ้งในหันมันกับจีเบือจีนายในบ้านโอ้บมมีบนเป็นเจ้าตัวนี่คนคือว่ามันดีมันงามมัน จบมันงามแเชะมองไหมันดีมองไหมันเป็นตาเอามองไหนมันเป็นตาเสียวไปใส่มันมุนมนี่บาดบอลบอลเข้า จ, จากใดบุมี่ขันเขาบองยังไงที่เขาเ้าจากได้ยนเข้าบอลในบอลกายเขา้าคือได้เขา้าเราเห็นหนอกนอกรันเห็นผู้อื่นเห็เหนเนื้อเห็นนางเห็นเครื่องลงเครื่องหฮมมันเป็นตะเ บ, บิงหนักบ า, บ า, ม, า, าบบมันดีโรมณ์ง่ายมันสนานท่าเบิงคืออัตมาบอมันจีบเวอร์มัดสุกคน พอโมมีแนว่ยเป็นเอ่าจะเนี่ยขันเบิ่งเข้าไปนี่แต่เนว่เน่าๆไม่เหนี่ยมุกระโปงมีกระเลือดเจเนื้อนี่แต่ตับนี่แต่ไตสตฟุ้งนี่แต่เนี่อโมเป็นเอามีแต่แนวบริจากได้มันก็เบิ่งลงแก่มันก็เบื่อขนานบาดนี้มันก็เสีหายสงสัยบาดหันใจห้อมสิยหายสงสัยโมมีบนติแล้วเบิ่งหมดตล้ในก็เบิ่งมัดห็นมัดในกายตัวเองทันเห็นตัวเองแล้วผู้อื่นบ่ได้ก็งาบบาด พูดมันคือกนกับเท่าคำเทาเป็งของเท่าแดียวพูนก็คือการเทาเดียวมันพูดแบบเดียวก็เมารอดบาดมันสีเบื่อโรดหันเบื่อจากของมานก็เบื่อผู้อื่นบาวันที่เอาวอมีเน็ตังคีดอกปันพาวานาดิจานาหังชี้ิจานาไปเบิงไปเบิงจนมันเบื่อจนมันนายจนมันบีมจนมันพ่อมอเมนเบิงเชือหนึเชือเดียวเราล้ยงได้บางนีสัตว์จะหนีจาเชือใจหนานอยามันออกอางกรทือนอนก็นอนโน่ิน นั่งนู่นี่ยืนนู่นนี่ย่างนูนนี่กินนู่นนี่พายนูวนี้ไห้มนจักปั๊บสูแนวมาจะมันเคลื่อนไหวนั้นเอื่นว่ามีสตินะว่าจะกายนี่มันจะเคลื่อนไหวไปใส่สติกัตามท่านหูมโนไอเบิงมโนสัมไอ้มนุูยจักการไปกับเบิงมามันเป็นยังไงการไปเนี่ยสังเกตปันณ์นี่มันจังคนและคนทุกคนยากคันไปอีกกานมันมอเห็นมันนี่มันย่างไปเป็นยังไงนับแต่มันย่างเก้าแรก ที่กระนาดโนบเป็นสุกเกอรอเป็นทุกยางมันดีบอน่นฐานจะของไปนั่แต่มันกระดี่แต่มันเมยยางไปยางไปมันก็อ่อนไปนั่เียไปนั่มเมยไปนั่มนั่นเนะมันดีเยอะบอเมยมัก็บ่มเมยเพรามักใจมันแหงมักใจนะหมือนูมิจิตอบเลาไมันช่ใจคนหนึ่งในกายกายเป็นผู้แสดงในดวงจิอกระใจผู้เดียวถึงหูยันมักบ่ามักกับมัใจผู้เดียวจะของฐานจะของที่ซี่ดอก เอาหรือบ่เอาน่ะนะหลังคามันคื้นมันหนักอยู่บ่อเงยบ่อมักบ่อยากได้นั่นหันบ่อยากได้เราตีเอาไปไหนบานทหันยางมันก็เมยบาทนั่งไปยังไนบ่เอายี่ยางมันเมยบาทนั่งไปยังไงต้องนั่งเบิ้งนั่งไปนั่งไปกระจมเนีเจ็บนปวดหันปวดนี้ปวดแจงปวดขาเงินนี่บ่เป็นจะอยู่บานนี่เป็นยังไงเป็นเอาบ่อนั่ง เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ขันเป็นทุกข์ที่เอายิ่บอกเนี่ยมันก็บ่กเอาอีกละบ้านมัวเอาทุกข์บอเอาไปอยากได้ทุกข์อยากหาเท่ากับทุกข์เย็นเออขันว่าหาเท่าข้าหัวกับทุกข์น่งมันกับเป็นทุกข์ย่างมันกับเป็นทุกข์บานนี้นอนเบิ้งมันจิทุกข์บอกว่านอนมันจิตกมายเมีนบอกร่องเบิ้งบ้านรองเบิ้งนอนโมลุกเบิ้งบ้านนอนทุกันนะเอินขึ้นก็เพต้องลุกคทำงามันดี อันวานี the evening, the ่ยก้มสุกอันวามันจะเลื่อนหย่อนนั่นก็นั่นมึงกันแนวเนี่ยมันกะจมแนววันบริลล์นดอกมันต้องพิดต้องอยากรู้อยากเคลื่อนไวไปมากเนี่ยมันมาเป็นทุกก่อเลยเด็ดพันพวนนี่แล้วท่านปฏิบูรณ์นนั่นทุกอยู่บนนันแตถามไม่ได้บามันสุกเพ้าะมันมันทุกข์มันทุกข์ที่เอายู่บนนันบัวเอาเอาไปอย่างมันทุกข์น่นมันจะลองจัดบาดยืนแต่มานอนบริลลเอายืนเบิ้ง ยืนบังบันยืนกับสังเกตได้มิติเลยมันม่ยืนคือนวดได้เอาบันทีเป็นเป็นยืนบังให้มึงบังให้มึงค้องมันจะเป็นไหนยืนบอกคำเฮานี่ละะค้องว่าจะคลองน่ะแต่ังเกเป็นมิติเนี่ยยืนไปยืนมามันก็ไม่หรอกมันก็เป็นตะยุแหละบันมันก็เปมัดคือตันมันเป็นทุกยืนก็เป็นทุกเน่ยนแล้วยืนกับทุกนั่งกับทุกนั่งกัทุกย่างกับทุก มากินบงโกันี้ก้มฉุกน้ากินิเบงมันจะุกบอกินกินก็ุกคือเกาบาดกิ้มไปจิ้มากมันก็ทุกขันโมที่ปากคือข้อกระทุกเห็ดกระทุกเช่งกระทุกมแจกระทุกนันมันทุกว่นไหนบาดคันากินนี้ก้มฉุกฉุกว่นไหนมีแต่มันฉุกกินมาเท่าก็ตายหุ่นกินมาทุกบ่จังสัตกินมาต้องร่องที่บุรุษตายฉะนั้นแนวนั่น่มดคือกมฉุกเกิดเพราะการกินนี้มีบอกบอกมี ไายก็ทุกี้บานขันบมททยก็ทุกข์ซึ้งเอาบานนั่นเจียวอันไหนบานถามมันเมืองเจียวไหนใน่างไก่ห้องละที่เอาแน่วไหนแนวไหนก็มี้จะทุกแน่วไหนจะทุกกินก็ทุกบวกินก็ทุกนั่งก็ทุกบวกนั่งก็ทุกนั่งก็ทุกบวกนั่ก็ทุกเดินก็ทุกบวกเดินก็ทุกเสียจะไหนบานหามองไหนมันทีดีบ่นบ่ทุกนี่บ่ถามมันที่บานมันก็บ่มีแล้วบานที่เห็นใสบนบนบ่ทุกบ่มีบาน เราขันโมบี้เหรอที่อยากได้หนังสันเท้าวานเนียเขาอยากได้ยันไงอยากได้ค้อมสุขค้อมสบายขันมาอยู่น้าของทุกมันจิตสบายเป็นบอกก้อนทุกกองทุกโตทุกมันจิมีคว้มถุกเดยยังไงมันทุกให้เบิรงนอยู่นี่ให้เห็นชืมือกชเว่นอยนี่หน้อยกับฮอนน้อยกับหนาวน้อยกับเมื่อยน้อยกับแดดน้อยกับลมน้อยกับมื่ดน้อยก็แจ้งมันมีข้อมสุขมองไดนถามหาหม่องมันสุขบาน คนหามงแต่ละค้นกะละคนใ น, นใจไใข่ใจมันเห็นบอบ อ, ม, ม, อมีจับหมองหนุมแต่เขาบอกเอาเองบาดนี่กันว่าทุกข์มันบมมีหรอกเลยสมมุิเอาแนวไหนมันเฮาเกิดขึ้ น, น, ขข น, น, ใในหนุมิถือค้าม่วมเกิดเฮาเราเอินวัตุกกันห น, น, น, น, นุมนถือใจน่ะนะต้องมาฟังเฮาอยกได้อะนั่นอันนี้อันที่มาเฮาไปหามันเราได้การยิ่ใจ น, น, นั่นเอินว่าทุกมันเ น, น้นทุกข์บอระบาดขึ้นเปิ้งที่ระบาดสีกันหน้นานมันทุกข์อยู่บอ่อ กันไหาน่ะมันทุกบออันการไปเหมนการหาเจสิได้เป็นุกขอเป็นทุกข์นานาคือมันจไปหั้เงินยางจีน่าเจสิได้เงินนันมันมันทุกหรือมันทุกข์มันก็ทุกข์กตัวเเห็ด้นันเจสิป็้เงินมากันเมื่อเราไปเบิ้งอาิตบัดเอาเงินมากันเกิดทุกแกพกันได้คนแต่เห็นมันทุกข์ก้อนนี้นั่นเ้าเราเบิ้งจะไปเบิ้งแต่วมันได้นว่ามันทุกมันก็ทุกข์คือเ่าหันเนี่ยโตทุกข์คือก่ร เพราะงั้งเดยวอันนี้จะถูกซือการการได้การดีการนี่การเป็นเป็ น, นทุกข์หมดเดี๋วสิหาสุขอย่ใสในกายอันนี้ในโลกอันนี้เดี๋ยววันไหนเป็นสุขวันไหนเป็นลาเพิ่งพิมพงอาศัยมันในสีเกาะมันในสีเกาะวันไหนคันสีวานี่น้ำตาลน้ำขันนางกายอันนี้มันก็แก่ไปคูมือมันก็เจ็บไปคูมือมันก็ตายไปน้าคูมือ น้อยเมื่อกะหอดเมื่อกิ้งุดซุดจบของมันเมื่อก็แตกสลายออกไป้่เหี่ยงเกาะบ่เหี่ยงหยุดบ่เเอาไจอีกมันเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมตามปกติของมันคือเกาหน์เสียวันไหนบาทดกะที่จะนั่ก็หนึ่งบาดวันไหนบนที่เอาวันไหนสิเป็นห้าบวันไหนจิเป็นเขาเสียเมื่อไวยบนจังไหนบาดใจนั่นตีมันอยู่ไสอันน be ี้ตายนี่จากแล้วมันก็บ่งวบนตีอยู่ขันว่าติีปัน มันติดมันเห็นหนังบาดดูนั่นนั่นมันกระดจากเข้าอยู่แล้วมันกระตายนิจากเข้าไปนิจากเข้าเข้าเป็นผูบาใต้บาดนี่กรนี้จังขั้นแดวบาดก็ะดือถอนมั่นดอกกันเป็นห่วงมันนี่กันเสีลายมันก็ะดือถอนมั่นก็อยากได้มันอีกก็ไปหามองไว่จังที่แล้วได้มากกทุกข์คือเกาแดดเดียวกันเขาไม่คบเบิ้ลมั่นอ่ะแช่เก็บตายกับเกิดมั่นกันนะเพื่อนเขาเกิดนี่ก็จะเห็นทุกจังที่ แนวสิเอาวันไหนเสียกได้วันไหนพิจารณาสันต์อ่านมันบันน้อมจะหนีจะเข้าเอาโยงกันจะหนีไปแนวอื่นจะต้องออกจากกายจับเพื่อนเหตุนั้นก็ยูไม่หนีเหตุเรียกเหตุงานกับเบิ้งยังสิเบิ้งจนธรมะบอกเบิ้งอยู่ใใจหองเหตุนั้นทั้งเ็ดนําให้ดำหน้าตาตางกับพิจารณาเป็นน้าเป็นยังไงห้องเหตุเยือนเป็นทุกข์เป็นทุกข์มันก็ต่อขั้นที่ระ่าดทุก Spielt, เพรมันเจ็บมันปวดทั like ้งปวดเอวเพิ่งห่อนเพิงเย็นขมพลตกมันก็เย็นาแขนออกมันก็ห้อนมันก็เมื่อยแฮมันก็ถูกดวงจี้แล้วเหตุอย่างไรบนวันไหนมันสิ้นมันสิหนี้บลห่ะเห็ดอยังสักหนึ่งสักโลดนี่จะติเคลื่อนทีตะไใต้มาใส่ให้บังมัดสูแนวมาหมัดหินมัดสูแนวยิ่งกะจ้างว่าจะมันเกิดขึ้นมันกับมาสัมผัสเท่านี้ดอกเท้าบัวตองออกไปหาเบิ้งหน้า ไม่ต้องไปนั่งมันมาบอกขึ้นแนวอื่นได้บอกขึ้น้องไปหาหัวหาข้อยได้อันนี้คือเครื่องมันที่ขมามันมากเองลูกว่าเจานั่นมันกับมาเองมันมาปานในปาห้องไหนเาก็เห็นท่อนะเขาก็องยู่นี่ไมใจเขาผิดอกไม่กายเขาผิดเขาบอกอ๋องจังเดยตาเขาผลมันเห็นมันู้จักเขาหนะกำเริ่มดูที่จะออกไปจะไกลมันกิเขมาไม่ใจเขาผินแล้วเขานะ มันถึงหัจักกูนี่บ่งดูนี่เป็นยังไงรู้ปะนั่นมันนี่กูบอกมันคือกันบอกับเา่เผวบันการหูบันมืันกันเดียวกันบันเขาเอาอยังเห็ดเขาเอาดินเอาหนามเขาไยเอาลมมาเห็ดมันกับนี่ยืนเดินนั่งนอนคือเฮ้ามันกับนี่กินมีทายคือเฮ้ามันกับเน่ากับหมิ่นคือกันกระเเผวมันกับส่งถ้าส่งขันของมันไม่บดได้คือกันกระเเผวเปิดมาแล้วมันกับแก่มันกับเจ็บมันกับตายคือเฮ้านี่แล้ว ในวันไหนมันติดีบาทมันคือกันกับเท้าอยู่เท้ากับบดีเขากับบดีเขาก็บบอดีโตของเขาคือกันอันนั้นจิฟ้าจากเขาไปอยู่คือกันกับเทานี่เราจิตไปอาศัยผู้ใดบาทท่านคิดว่าเห็นผู้อื่นจิบใจผู้อื่นจิเพิงผู้อื่นมันจิเพิงก็ได้บ่อเขากับจิตไปคือเท้าอยู่เทากับจิตไปคือเขาอยู่เพิงกันบ่ได้บาทอาศัยกันบ่ได้แล้วจิเพิงผู้ใดอาศัยผู้ใด เพื่อหาไปแล้วคือไปขันว่าเสีอใจเขาขลองเงินท่องก็ร้องเบิงถามมันเบิงไดเมื่อไรลายนั่นจิเบิงเงนจะไหนเงินหลายนั่นมันจะเอาเข้าไว้ได้บ่มันจ้างมวยเจแกยได้ยืบบ่จ้างมวยเจ็บได้บ่จ้างมวยซ้ายได้บ่อจ้างมวยขวามวยน้าได้ยืบบ่อนั่นถามมันไปทุกที่บาดมันมันเงินหลายนั่นมันจะเอาเข้าไว้ได้บ่อเนี่ยมันก็บรายคือกันบาด เมื่อ น, นำ้ำควสามารถติดกลางบ่อยแจ้งเจ็บในตายบ่อยกินในตายได้บา้านมันก็เป็นต้องการเราใช้อสายบอลเจ้าไหนบา้าอาศัายมื่อไรอาศัยบ่ได้อาใัยได้กต่เฉพาะุมมูอนี้สิพากขันกับร่างกายห้องอย่งโบท่านตายอาศั่วาสีเอาไหมมันใส่มันซอยมันในกินในยูไปสือเมื่อเป็นเล่นเป็นบ้านไปคือบ่อแม่แนวอื่นเอาไว้เลี้ยงทาเลี้ยงขันในมาน้าขันมันยั่ง ขันเท้าตายกะบ่มเ็นของเท้าบาดในหลายวัานไหนกับการนอยวันไหนขัดตามกับเป็นของมยูได้หนีในโลกในช น, นินอันมืนคนไ้เสีอไปได้กับพูดทีย่างนี่ยจไต้ไปเนเขากลั บ, บเป็นของเขาคือกันมันก็เมดไปจากเขาถือกันเราใส่เม็ดไปเปลี่ยนแปลงไ้ตั้งกัตหาเป็นสาระของไ ข, ขง่ของมันกับผมนี่จีไต้โได้เทาเสียไวันไหนบาดนี่ทเทาอันไหเป็นเห้าของเขาทีเพิงอิงหลังในโลกนี่เบิ้งเม็ขุนแนวเน้ บ่อเมียนมองอะไรนี่บ uh ังจะมัดกอยางหูคนจะว่าโลกอยางแจมแจงคือว่าวูได้ยังลงบังให้มาดัวยเนี่ยก็ไดเราถามให้มัดว่าที่ยังสุกที่ยังสุกที่ยังบนเป็นก็วสีเอาบนนั่งบนวันไหนเป็นใจอยากได้วัไหนจะเป็นีจเฟือของเขาได้มีบ่อบ่มีจักแมวบังกับ่มีเพิงดินเพิงโมไดเพิงงานเพิงโมไดเพิงร่มเพิงโมไดเพิงไฟกัเพิงโมไดมันหอนมันไหมเนี่ย เพิ shower, like même, <to> ่งเพระมันก็พัดเอาแต่แนวบาดมันอยู่ได้หมดเพิ่้ํามก็พ่วงมอง์กันแนวตายเพิงหยิ่งิผอมเพราะจริงที่แล้วเน่เพิ่งมันในบอบาดเขากันบ่มิโตมิตนนอกบาดเขาจะอยู่น้าเขาก็อยู่บ่ได้เขากับบ่มนเข้าเขากับบ่มิเขาบาดเขาเป็นแต่ผู้ฮู้บาดใจเข้าหนาบ่มิโตมิตนแใจห่างหู้สิ่งอื่นบ่ฮู้ใจเป็นผู้ฮู้เขาอยากมาอยู่อันนี้กับภาวาเขาอยากฮู้ หัวว่าก้อนโลกนี่มันเป็นจังไหรมันคือมื่อคือบอเห็นหูแท้มันเป็นตัเป็นตนเป็นหลุมเป็นล่างนานามันเราบอเห็นหูเขาเดียวแม่มันกระบังที่เราเป็นของบังของปิดบังตาบางใจด้ยบอเห็นเกิดความสงสัยอยากเบิ่งสิ่งใดจังไหรเของมันอยู่ไม่มีหันมาเบิ่งแล้วมาเบิ่งเมื่อขู่แนวบอเห็นบอลเป็นตาเอาบนเป็นตาสิยากได้บอมี่มันกติพรหมาน ถอนออกจากนี้ใจเขาหนึ่งเอินว่าเขาสิว่างอุปทานเพื่อการยึดหน่าหันทั้งหาเพื่อรวบรางเขาหนีละคนเอินปัญหาหน่งมันสิว่างโมเอาดอกเบิงเมดเราบนไหนสิเอาเป็นของเข้ากับบมีความันสิดีมันกับบดีมันกับเป็นใจซ้ำมั่นนั่นแหละเกิดขึ้นเนี่มันกับแกเก็บสารมันกับเปลี่ยนแปลงกันอย่างชั้นเอาอันไหนสิเป็นสาระเขาของเข้ากับบมีเนี่ยเขาอาศัยเขากับบ่ได บ้านเฮาบ่มี โ, โตมีต้นเสี้ยว อ, อันไหนเป็นที่เพิงกับบ่ได้เพราะเฮาบ่มีแนวนี้บ้านมันก็หุงกะบอเพิงไว้อใจบ่ได้บอลดีกับบ่มีบอลงามกับบ่มีบอลจบกับบ่มีมันก็เป็นปกติของเขาสงสันบา้านเขาจะบอฟั่งคลมเฮาหนังกายกับบ่ฟังบอกมันกับบ่ฟังเพราะมันเป็นเรื่องของมันธรรมชาติของดินของางามของไบของร่มเกิดขึ้นแน่วมันก็จเกีเพยนจิแปลง ติแกตีเจตีตายบอดเทยียง็นทุกมเมนของไถจักคนเขาก็เยสิ ม, มันก็บเบื่อแต่เดวใจเขามันก็บเบื่อมันกันายค่ายคว่ตีบมมน้บนสีเอามเมบ ม, ม, อนนาามีบนตบบนงามบมีบนอยบได้เทิ่งเขาค้องเงิมเมนท่องดินนาค่อยล้มหยั่งมุของจักแนวสีเอาไปหยังอยากได้มาไว้เหตุหยังเขาเหตุหยังกระเหตุหตก็เ ป, ป็นห้มมนองบมีแนวสีเลส พอใจมันบมมีตนนี는는้โตโมมีวัตถุมีสิ่งของใจมันโมมีแนวเห็นมันจังสันมันละเอียดมันดีมันเลิศมันประเสริฐกว่าดินน้ำไฟน้อมใจหนึ่มันละเอียดจนบ่เห็นภูณะจนเอียังสู้กับบ่ได้จนห้างกับบ่บ่ไปถือพอละเอียดหลายหนาวกับบ่ไปถือมันละเอียดมันบมมีโตมีตนทุกกับโมีทุกก็บโมมีอยู่ในมั่นหันไปสู้มันบ่ได้เลยมั่นมืน ม, มันว่างเหมือนกันมันสบายขมั่นกันยังไปใกล้อะไรเพราะมันละเอียนมันบมมี่เนี่ยี่โมีแนวเป็นจนเอามาบอกการสร้างบมได้วาใจนี่เป็นตัวจังไหนนี่ลักษณะจังไหนคันบอกบ่ได้กับสมมุดใส่ฟังแน่คืออันนั้นคืออันนี้ยังสิก็เอามาเปียดมาเจียบบ่ได้เพราะมันละเอียดมันโมมี่เนี่ยมี่โมมีแนวเป็นจักเอิ่อนวาของโมมี่โตมี่นของบอกบ่าได้ของเป็นเอง เกิมาเป็นธรรมชาติของใจมันจะอยู่ว่างๆมันมีแนวมีมัมีแนวเป็นธรรมชาติของโลกคือดินน้ำไฟล่มมันมีแนวมีมีรูมีล่างเั้นที่ให้หูให้เห็นกับเป็นนาทีของไฟของมันเป็นสัตว์แต่ถ้ของเจลาอันดินกับเป็นธรรมชาติของดินน้ำกัเป็นธรรมชาติของน้ำล่มกับเป็นธรรมชาติของล่มไฟเป็นธรรมชาติของไฟ ใจกับเป็นนรรสะอาดของใจหวานอยู่ใยอยู่มั่นต่างคนต่างอยู่หวานขันแยกกันออกได้ขันเฮาเบือเฮานายไข้ต้นสิดจากมั่นแน่วเ้างไปแยกออกจากมั่นจากดินน้าไปล่มกับไปอยู่บนเก่าเฮ า, าคือบนหมองว่างบนโบมุมนี่แน่วมีบนมีแนวเป็นมันสิบนเป็นอินยางบานมันสิสบายบานเฮาเ น, นื่องกับบ่เป็นตองไปซู่นเพราะบ่มีโตมีตนมุมนี่คํามวักขับวัดแก่ ขับพก uh, ขับใจหัวห่อนว่านเอาก็ะผมมันมันออกน้จจริงแล้วมันจิสบายจนเอื่นว่าว่างนั่นแหละพ้นว่างอันนั่นแหะมันจิตสุขบานมันจังโมมีสุขเลยทุขบอเป็นไปไกลจับน็คโมมีพอมันโมมีแน่วมีมันจิตไปตุ้นเมื่อไรทุขสุกับจ้างมไปตองนี่จิตย่งว่างด้วยว่าสบายที่สุดเอื่อนมาสุขจังยิ่งบันแน่วมันตุเมื่อไรต้มมาสุขจังยิ่งมมีแน่วจี่เสมอเหมือน อันนี้ใจใจนันมันสิเบื่อติดงานสั่นมันยังออกได้เลยโมเมนหวนันหววเห็ดหวนคืดเอาสิอยากออกอยากหลุดอยากพ้นมันม่ได้จังสั่นมันต้องเห็ดคือเบาเหงว่าั้งบังให้มันก็รู้เนี่ยวพิจารณาให้มันคักอันไหนกักจางเห็ดอันไหนเห็ดให้มันคักใจแจ้งว่งเถึงใจม็ดคู่เนี่ยตรวจตาให้ถึงจิตเถึงใจว่าคักใจกูละกูบังคักต่ออันไหนเส เพชรขัดเบิ้งขัดพิจารณาครัดบ่มีบอเอาบ่มีบอลุกบ่มีบอลชุบบ่มีบอหนาอยากได้อยากเอาอันไหนกบเมนของเฮาเฮาโอเมนของเขามันสีว่างลงกับสันพิจารณาสันเป็นอันอันไปพิจารณาเห็นมันแน่วลงสันให้มันถสนใจทุอันทุอันนั้นมันจะลงสู่อันนี้ยังคือของบทยังแม่นี่งมันเป็นทุกผันยึดมันไปทีละมันโมเมนของกองเฮากันเกิดแดาวมันกระดับไป เสียเอาไปไหวไถ่ยั่งอาไหวมันกับวนยั่งตะคดจงกันเดี่ยวที่งานสนยั่งขืนคือตันเห็นนั่งไถ่จังสันที่งานสนมันกับเวลาเท่านั้นที่หักมันกับนางมันกับพีนกับพ่อมันกับหนี้เท่านั้นมันจะอย่สมองมันนจักรหรือบบเป็นประยชนนี่จะเน่าจะหมินนี่จะสิตายถึงแั้เน่าแม้หมิ่นก็สร้างหรอกขันมันอยู่น้าเห่าเอากระเบียงมันอยู่เครือสมุนเอากระเบื้งกระแห่งมันอยู่มันเน่าก็สร้างมันหมนก็ตาม สะฮักกับแพงมันมีู่ดอกมันของพายุท่านเงาท่านหมิ่นตามหมินก็ยังจักเอาอยู่เนี่ยก็ทีเอาบอจใจในนี้์เราไปอยู่บอลวันเอาวัเหมินบ่สกับพวกบ่เล็ดปฏิบัติพัดผ่าเครื่องใจมันมันสบายกับโลกก็ทีบว่อยากเอาบอจังสั่นจะถามมันส่นตัวบนมันสบายก็นหนีไปยังสั่นมันกับแสนสบายแต่แนวบ้านมันจักบอลไปยังสั่นบนมันเบื่อมันนายมันกับวิติกับโลกบ้านมันจะอยู่ประมัน พอมันร่างโลดทนดอกมันร่างโลดโมเมนต์จะเป็นยางผสมที่ยางเล็กพอมันร้างขันหันบรยุทธ์หาเป็นของห้าวของเขาจนมันจะร่างโคตรทันทีในใจหอนร่างขืนหันโลดเป็นโลดเป็นความร้างขืนใจโลดแนวมันจะงุนสันมันจะเกิดก้นสบายขึ้นทันทีในใจของห้าวเป็นอยงที่ดอกเรื่องของมันการปฏิบัติทุกสิงทุกอย่างเหตุแห่งมันสุดใจแห่มันถึงใจเบื้องแห่มันคัก ให้มันอิ่มให้มันพ่อให้มันเต็มเต็มหัวใจห่อนเบื่อแล้วนายแล้วอิ่นแล้วเปิดแล้วบ่เฮ็ดอีกบ่เอาอีกบ่กินอีกบ่ท้ายอีกบ่เออดีให้มันว่าจังส่นจังสัรเลี้จังเม่นมันเบื่อจังส่นจังเม่นมันนายโมเม่นเบ่เอาโอ้ยเบื่อโอ้ยนายขั้นเกิดถึงมากเจ็บปวดทุก้านเบื่อนายอีนมบ่ถือใจกับเบื่อนายอีนพ่อ กยอย่างนี้จากมึงเรยนี่ที่อันนั้นความคืเตือนโมเมนต์เบื่อเนี่ยเขาคิดปาเซือนมันบกจริงความคืบเนี่ยบัตมานต้งคืบเตืมันก็ดีคือเอาหันมันบอกคือแนวนี้อันนี้มันบมเมนความคืบเตือนทิตจัลนาจนมันหุ่นัะแน่ในใจมันกะว่างเท่านั้นมันบอกบาตนี้เนีมันกะบ่อมันครับมันแน่ใจมันเนาะมันถึงใจหรอมันบกคือความคิบความคืบเคือเตือนเมื่อมาถึงทิลนา มันบ่ถึงใจมันบ่บ่อินบ่ป๋าเนี่ยมันบ่อินบ่พ่อต้องเห็ดเพลือหน้าว่อจที่กระหน้ามัดมัดใเห็นหนังมัดใจหนังมาสัมผัสดอกทั้งตาหูจมูกยินมกายใจตั้งใจเบิ่งอยู่ในกลางหะนะในกลางรวงใจเขาเนี่ยละเบิ่งมันหวั่มันหินมันจักว่ากายโมเมของเฮ้าว่เป็นสาวว่เป็นไปจากได้มันมก็ออกี้นตัใจบั่นไปอยู่แต่เฮากันไดีห่ะมันก็ออกหุงจากนี้เนาะ แอามแม่นขบ้านมันก็มีก้มทุกข์กมบายมันก็หายทุกข์หายโลภายไผ้คันออกจากนู่นตัางทุ่งัสันจนมันอิ่มมันเบื่อผมังนั้เนี่ยมันกับเราเองในบ้านมันเป็นกันหมดมันทิเบื่อสีนายมันกับออกหนีหมาอยู่ลาพังใจของหาบ้านมันจิเห็นคุณค่าราคาที่ออกมามันแตกต่างกับมันอยู่ในร่างกายวันมันสว่างมันแจ้งมันงง มันโกงมันมนีแนวมีมันมีแนวเป็นมันก็ะตันไอยูงกันประมาณมันก็ไล่บยจากมา่ในอีกแนวแต่มันหึงจากแล้วเหม็นไผไปบอกไหยมันกับโบแม่มันเบิ่งแล้วเปิดแล้วเบื่อแล้วอิ่มแล้วนายแล้วพ่อแล้วมันจีว้าจังสรรในใจนั่นเป็นจันไรรจังเงินเบือจังเงมนนายจังเงินอินจังเงินพ่อการเหตุการณ์ทนปฏิบัติต้องสอบสวนเจ้าของทบท่วนเจ้าของเล่ากันอู่หันน้า ศึกษากันหันเอาสติเอาสมาธเอาปัญญาเนี่เอากันยืนกันี่ยวมันมวย่อมอยาเข้าเอามันจนเห็นผมเห็นบอมันแดีวมันทัวบนมันสาเร็จเสร็จสิ้นว่าเหตุอย่างไมันจังสีเบื่อมันสีนายมันสอินดีพอดเอามันหันบางทีงกันเดี่ยวเมื่อเป็นเหเรื่องเล่นมาจมไปเราจะละมื่อเราลี้ยวไปมันแล้ววลอกที่จังสันมัเห็นมันแล้ยวเตแต่มันคักมันเป็นสันเด้คนเห็นเดี่ยวเป็นเท่านั้น จะมาเหตนมากมากับทง น, นั่นท่งเ น, นี่ยนันเขาเหุยังเหตหให้คักนะเห็ุให้หูจักก็ตอนมองจับบ่ย่อมพะว่าเขาเป็นผู้รู้ตัง้งใคือว่าผาลูนานา uru, มมม่มันน่าใจเขาคือผู้รู้มัมีโตมีตนมันเอาคูจักอีกยังมาเสียงหูวัดส่วนเนีใจนี่นวอะไรเสีงหูมันบ่ย่อมจังว่ามันหูมดตกูแนี่นั่นเดียวนกระสังเสียงหูได้เห็นได้หูจักได้นั่นต้องให้หูวัดส่วนน บามเมนต์ของเฮ้าบอของเขามันเป็นถูกบ่อเทียงมเนของเฮ้าถ้าแนวเันเอาไหนมากต้องใมันหูกครับเหตกาให้ครับเห็นแล้วก็เห็ุดให่ต้องเห็ดเรียบนละขาบนล่ยอมถ้าเราทุกเอาหันนะเอาบม่มันจิมีปหมอยุดงไหรู่ไปเหตลงไปมันก็ถูกนั่งย่อมบ่ถูกบ่อยากบ่เห็นบ่อเห็นทุกเห็นแนวย่อมแนวตือแล้วจำแล้วเขียวอยู่บ่อไหมันมาตัง่ องอมเนอะมันง้อมแล้วบัเกิดอีดอกวาวอีดอกโอนมันยังแล้วเห็นยังเห็นเป็นยังสั่นเห็นมันนี่มีข้อมลูกซึกนี่สตินี่สมาธินี่ปัญญารอบลูกซึงสั่นเห็นตัวเองเบ่งตัวเองตลอดการตลอดเวลานิจระนาวเป็นยังสั้นบาดมันออกจากมีจากร่างกายเข้าไปอยู่แต่ลําพังมันมันก็มีควอมโุกบาดโซกอยู่หันสบายอยู่หัน แต่แวมวมันแหลวง่ายไงมวลมันแหลวโลดมันไม่เป็นยังสั้นมันยังหอา้ใจค่วมชุกค่วมบ้างนั่นอีกอาจิไปติปดหันอีกบ้านจะติด่วนค่วมสบายติดในค่วมสบายติดค่วมบ้างติดในรูปแบบที่มันสะดวกทมันสบายพุ่งง้ามค่วมดีเจ็ดดีได้ดีเจ็ดชัวได้ชั่วมล้วก็แสดงเหตุแสดงผลให้เบิง่งบ า, า, านการเหตุการณ์ทำของเฮ้า พันเฮาเลิกคำชัวเพราะเห็ดตุมือ่อเห็ดตำชัวเนี่ะมันจิตนี้จะทำดีได้บ้างเขาเร่นเพื่อนี้สินแนวมันจิตทิมว้มกมชัวมันจิตเห็ดก้มดีบ้างก้มดีนี่แหละเป็นทั้สททงสี่นั่มให้ออกจากมทุกเมือ่อเมื่อิตแดงก้มดีเบื่องได้บางการเห็ดมันให้ผลแต่เขาบอจกจากคือทำดีเลยดีทำชัวใส่ชัวเห็นว่าเฮาไม่ทำเป็นของของตน มี่กรรมเป็นผู้หผลนี่กรรมเป็นเด่นเกิดนี่กรรมเป็นผู้ติดตามมันตามเข้าไปบาสนี่เขาเหตุ ด, ดีขึ้นมื่อกรรมดีกระนำห้องจันทรกแปกงจนมันก็แสดงขวามีนะเบิ่งบักครรมนวดีๆเนีกระพอันเนี่ยดีๆเนว่ ย, ว ย, ยวเขาคักๆ ม, ม, มักใจนะผุนบาสนี้ฟ้องเหตุดีขันไปลง น, นู้นบา่นี่ลงบาสนี่ย่างขับเลยขับออกจากโลกมันน่าจะจริงเขาหลงออกไปในขวอ ม, มืดบาสนีิอ่วยขึ้น ตั้งจินสมาธิปัญญาแล้วมันจะอวยขึ้นมาขันไปติดข้อมดีบ้านไปหลงข้อมดีเี่ยวเห็ดนะเอาโมโหโมโหว่าอันเหีเห็ดใบมันให้ผม น, นานนาเขาหลอเข้าใจว่ามันเกิดเองเป็นเองหูเองเกิดเองดีอกดีใจศาสนาวะโตบอกก้อยหูเขาเห็นจะเกลียมันจะเกิดขึ้นในเบื้องนานนะข้อมดีเห็่ยวใบน่ยเราเข้าใจว่ามันเกิดเองเป็นเองหูเองเห็นเอง ว่าโตเก่งไม่บาทวาโตดีว่าโตพิเศษนี่ม huh. ันเป็นเงินชีมันกัญะากุกันญามออกมันถิมาติดก้มดีบานทแต่กี่มันมันหลงก้มตัวว่าเป็นดีบาทนี้มัะเห็ดก้มดีมหลงก้มดีบาทบพราะวามันโตเห็ดเอามากันนะวาันมันตั้งเกิดขึ้นในเห้าแล้วว่าโตดีก็บาทว่าโตเก่นวาโตเก่งเองเกิดเองเป็นเองวันหนึ่งวาโตเห็ดมากทั้งที่มันให้ผล มันแสดงผลในเบิงว่าเขาเห็ดดีค้อมดีเกิดขึ้นอย่างอื่นก็มิจะแนวดีๆดีมิจะแนวขึ้ใจนี่จะแนวเขาบก้ยหูบเคยเห็นบกคยเลยพ่อได้เห็นได้เป็นกาเห็นกายเป็นแเ่ที่นาบก้ยพ่อเนี่ยบเคยพ่อเนี่ยบก้ยเห็นกาเห็นคือจังลูกเป็นลูกมิมิทแนวนั้นแนวนี้มือเป็นเทเทว่านั่นอันนี้จิตตากนเห็นเขาบก้ยเห็นกายเห็น บ้านเมืองเขาก็ค่อยพอก็เห็นมันแสดงเหิงกันก็อนพอควมดีของเฮาเห็ดดีไว้มันอะไรเอียดบานใจเฮานั่นน่ะเอียดใจเฮามันสว่างสวัยมันเอิ่นเป็นใจทิตศบ้านตากเป็นตาทิศเยี๋ยไปใจมันจะเห็นหมดพอมันสว่างสวัยเฮาเห็ดไปควมดีควมตัวบม่มีมันบ่มิดบ้านบ่มีเนี่นยปิดบังยังจะเห็นหมดเห็นแต่เนี่ยดีดีหาน น, า น, น, านี่แต่เนว่ยตใจเราหลงควมดีเรติดควมดี อันนี้แล้วมันมาลงอยู่นี้เมือนอบริเตตไบบานติพ้มดีทิดอ่นี่บ้อ ง, งุจักกัดอ่อนซ้อนว่อนใจนี่เนี่ยว่าอยากหนีบ้านมันเกิดก้มทุกข์คไม่ิดไื่ใจคนใจอืนอ่นตีตีเออปีนก่ซึ่งนี่ก้มทุกข์ น, นี่มันได้ยังไงจิตมันเกิดย่างเกิดต้านเน้่ยนเกิดย่านเกิดต้านสึ่งมากเลยหลงอ่านี้นเปนหนึ่งว่าลูกก้าน อารูกก้านมีนามันก็ต like ิดพอมีละติดลูกต <Italia> <gener ative computer science> ิดลูกแล้วแก้ลูกซกผมไปเขาอ่านมมรลูกอีกมันคนท่างทีออกมันออกงานอยูได้พอมันออกมิตรแนวดีๆมันได้มันจะลงคอมดีเนออกไปหลงค่มดีเจ็ดติดอาลูกนี่ก็คือมันจะแสดงให้บึงแนวจังสันยังสีอยู่เยอดมากคอมงน้าค่อมดีเย็ดมากมันแสดงเห็นบึงผลวค่มดีนีก็อ่อนซ้อนว่อนใจกับ่อมการเหตุการณ์ทำ มันแสดงเห็นบงานดอกบอนึกงว่าของเฮาเหยดมากแนวคอสิลงหนึ่งขันมันหูจักมันกล่ว่าโอ้เฮาเหยีดมากมันจะในจังี่มันจะเกิดจังที่มันจะเป็นจังที่ขันเพื่อจังี่มันก็เล้ยวไปยุ่งหมติดมันหมเก็จังี่มันบมหูจักว่ามันมันได้พราะมันเกิดพราะมันเป็นพราะมันแท้ที่จริงมันแสดงเห็นบนฟิวสีเฮาเหยดไปเฮาหมหูจักบางมันแสดงก็เลยดีวยีไดมันก็แสดงของบงจังสัน แนลละเอียดมันก algorithm. ็แ enfin, สดงแนวละเอียดเป็นเบื้งของนี้ลูกนีล่างมันก็แสดงเป็นลูกเป็นล่างเป็นโตเป็นตนทําไปจุดที่ค่วนอื่นลูกก้านมีโตมีตนอารูณก้านมีโตมีตนในบ้านมันว่างของนีใจใจบ้่นใสสะอาดบริสุทธิ์มันก็แสดงแนลอามณีโตมีตนเป็นของสะอาดของบริสุทธิ์เกิดขึ้นมากแต่เกิดขึ้นมากเห็นติใจเองโดยบริณุสได้คิดนั่น ก็เพรเขห็ดดีเนี่ยนะเห็ดนะหใจใ๋ห็มันว่างให้มันสะอาดบริสุทมันก็เกิดขึ้นมาหายใจบางอันนี้เขาเห็ดใบท่านโมหะจักขันว่ามันเป็นเองขันว่าหูเองเห็นเองเป็นเองเรายึดถือตนถือโตบาลอันนั้นเอป็นว่ามานหะนักพมพิษโตกม่านหะนักมีมานหะนักมีพิษพุ่มเห็นยิดสะพือปลาเมนโตรีโตเองโตเลิอดพัวโมูะคุได้บานก็เกิดพัวโรคคุมบานหายก็พอทอเข้าบานนั่น มันหลงยังงอันนี้แรียกว่ามันเป็นยังที่เลียมันที่ออกไปออกยากเท่กันมันไม่จะแนวนดีๆีนนบ้างหลงันเรียกาหลงจนมาเกิดพุ่มปุ่มนี่ยวปุ่มจ่าหน้าข้างกุศจักุศจักลังเลสงสัยโอ้เป็นยังที่นอ่ดีบ้ามันเป็นยังไงมันเกิดถี่มากหลงจนลงโตไม่ต้จักตัวของไม่บานไม่ต้อ่วางเทาผิดเดีนาะ โมโหวาเห่าคือจิดคว่ำเห็นของเห่าผิดเลยวาเป็นเหาดีเหาเก่งวิเศษพิโสหลงสันบอกจนอุย้ยโดนเท้าสุมเมือพิ้งจนวางขาพระวันหน้าปฏิบัติว่างใจเป็นกลางเหตุไปอยู่ในมัติมาปฏิปท า, าสายกลางคนเอาไว้เพงเพิงหลวงสันช่องไวหงสันมันจังสุขจักหวานมันสุขจักโม ว, ว่าโอ้มันโมนเ ม, มนต์จน อ่นเขาจิดเขาถือว่าเขาเป็นเขาห่วงเขาดีเขาเป็นมันโมเมนต์เขาตัวอันเป็นกรรมแต่การกระทั่งของเขาพ่วมดีมันมาแสดงเขาบ่งสิ่งเขาเหตุดีมันโมเมนมันเป็นเองเขาเห็ุสิ่งดังนี้มันคือห่วงบานโอ้ยคิดแล้วจะคิดได้บานคิดแล้วเขาวาเขาดีเขาเก่งเขาห่วงเขาเลิกเขากระเจิดแท้ที่จริงมันโมเมนต์เขาโมเนกรรมคือการกระทั่ ฐานคือจีตตั้งไวเอื่นว่าประทับบนแสดงให้เบิ้งสิ่งเล็กมากท่ำมากให้องจักคื้อวอมินของเฮองเขาเพียงแต่หุจักเขาเป็นเจ้าูรู้เขาวอมินจะของของจริงที่รู้ที่มันจังหัวทิ่ว่าโอ้ยมันมาตรงนี้ที่นอกอุบัตอันนีน้มันจะเกิดอุทจักหุ่นต า, าน้ำขั้นไม่ใจรบกวนทุกบอกยังไงไม่บานวอมินเะเอาได้บาน เป็นอย่างที่แล้วบันมันจะถูกเงินได้บัตรตกลงรกถูกบันเหมนมันหัวหัวเมื่อทิ่งมาโดนหลงผิดแต่กี่มือบานเนมันพลุกพล่านงานไปหมดหรอกบามันเป็นยอดข้อมูลหรือน้แผ่นดินอันนี้นิโรคนี่บัตรมาหูจับเจ้ที่เราโอ้ยมุมีบอลเป็นเก่าบัตรทั่งเข่าศกเสียใจสลดสังเวชเอ้ยว่ามันเป็นเรืองหมดแล้วมันโมเมนตัวบัใดมันหนนยั่งคือเก้าบาต นั่นมันเป็นอยักษ์บานมันปั่นนาดาโค้งหนุมมึงมันก็คอยบานแต่สิ่งที่มันเหตุมันแสดงนี่โมเมนมันมาเหตุแห่งเฮาเศร้าตกเสียใจเด้มันแสดงแหเ่าบังคือว่ามันเป็นอย่างที่หนุนท่าเดินไปหนุนท่าจะออกจากทุกข์มันต้องไปพ้อมองนี่สู่ก้อนมองนี้วันจังสิมันจะเห็นอย่งที่มัดแบบนี้มัดต้องไปอย่งที่เห็ุอยงที่ทำอย่างที่ เพื่อบ่อให้เฮ่าหลงผิดบ่อใหอ้ติดบ่ให้คัดหมือนอ ง, องมันหูย้งกั น, นเห็นมันยงสั้นทิจระนาญยงสั้น น, น, น, นี่มันเป็นยังไงแล้บาดมันหูจกักอีกมันจังดีใจควดีใจมันจะติ ด, ดเกิดขึ้นบาดจะตีโอ้เสียใจตันตกนรกเลกว่าเมนโอเหตุมาบาร์เมนหุกเินพนไปขอเยงบาดใหมันหมเมนตัวหนึ่งมันยังมาตกนรกคือเกา่ี ก็ต้อบแบไงเนีุ่กใจโออังบอย่างนี่เทาบงจับคือคนแสดงเบิงก็คือเงินว่ามันเทานี่ยมันยั่งมันนี่กิเลสขัดข้องคือมานะมันถือโตย่มันเรายุดมันเราผิดว่มหลงผิดมันยังติดเท้าอยู่นันนบอกันแสดงเิเบิ้งนั่นกิเลสตั้หามันแสดงเบิงิดน่มันเห็เท้าบิงมันถูกจังที่มันยากจังี่ โมเมนมันจีเหติหน kind of ิงเขาถูกเขาอยางดอกบมเมนตว่าเขาเตรียมจากคุณงามคุ้มดีที่เร็วชีสเตรียมออกจากใจคื้อมันสีหนิงจะเข้ามันต่อกเบานั้าหนามันเ่าเหติหนงเขาเบิ้งเห็ดเต่าเห็ดโตกเห็ดคว่เสียอกเสียใจมันของของกันๆ้นนานเสีนามเป็นของสมองเห็ดไหนเสีอใจบอดีใจนั่นแหละคือว่ามันสิหนิงจะเข้าพอวัดตาเขาสว่างไสวเห็นมันหมดหรอกมันเราออกมาแสดงเขาเบิ้ง เนีมันแสดงนั่นมันผันบออันวอสงบจิตใจเขานันวคือแต่ก่อนแต่มวแสดงม่หอกสมัยเคยจังสัตว์บัดจิเลติแสดงมันก็ไม่แสดงขื่นิใจเขาหวานใจก็เลยบอว่เห็นอย่ช่วงนั้นตอนจิเลตออกแต่ก่อนให้มันแสดงอย่าบเรื่องของมันถมันจังสิเท้าหวานเย้เท้าหใจจังสิโคขึ่นคือเกาจังสิใจขึ้นคือเต้ามันเป็นจังสิเอาแต่พวจักเรื่องของมัน เขาละวาเมนเขาเสียมวาเมนเขานั่นโอ้ยตกนลกนี่มันโมงจั๊กเป็นยงสี่บาดใดโอ๊ยมัเปนของง่ายง่ายสิอ่อนกันยากัต่ท่นเดีวมันต้องมี่สุดเป็นสิแต่ถ้าเงินสิดไปหันมืดกันเไปสิไปหันมดที่ไปติดไหันมืดหันโม่จักกลไปฆ่าหันในบ้านาโตวาคนทุบในบ้านวาตกทุบใไห้างกับไปลงหันมืดแต่หันอีเดวโดนแอจะแกได้คิดคนขวับพิจารณาหัน ้างหงจักลูท่านมีสติมปัญญาทางหงจักว่าทีเด็ดมันแสดงให้เบิ้งคือมันสิมีจักเห่ามันก็แสดงอให้ใจของหงจักเห็นกึงตอนลักษณะของมันเป็นอย่างไรอาการของมันเป็นอย่างที่มันแสดงวัตถุเน่ะมันก็ไปสระมันก็แล้วสามันใจ้นมันก็ใสขึ้นเข้าลมหวานโค้ขึ้นมากตีคือนเข้าลดเด้มในซ้ำเข้ามันหวานบาดในมันหน่อหอบหูจืดคันหูเราเขาสบายใจไปหนึ่งก็สบายไปเลยหวน เป็นอย่างนี้เลยมันเป็นของง่ายง่ายบองงากคือกันยากหลงรีหรอกบานมันเนหลงชัวคือเก่าหลงควมดีที่มันเกิดนีนจะแนวดีๆเนี่ยโมก็หูเนี่ยโมก็เห็นมันก็เกิดก็เป็นในเบิ้งบ้านเป็นง่ายมันเกิดมาแนี่ยโมหุจักต่องจักก็เป็นก็เป็นหอกม้อนอ่อนซ่อนม้อนใจอยู่หันเหมือนมาหลงมุนอย่างเป็นควมหลงมาอนหุจักเข้ามีหัว่า รับประจิมทั้งกวงทีมาตรกาีการเกิดมัน ก, ก็มีการดบที่หัวหู้ได้เห็นได้เห็นมเมนเฮากับมเมนตโตของเฮาเฮาเห็เนแต่ปูมาหู้คืออมาเห็นคืออย่ายึดจยถือวาเฮ้ามเมนของเฮ้าเป็นประรสอนใจหูจักให้หู้แล้วให้ปล่อยให้ว่างบ่ให้ยึดใหถือให้พิจารณาสิ่งหู้ทั้งสิ่มันจะสบายเรื่อยๆบานเขาก็พอสอบวมองจับเชือ มันก็ดยู่สบายบ้านขันมันสบายแนบบ้านมันจะบวมอย่างนี้บยังาวางขันมันตกตกบนตายก้มหลงเหมือนน้าอันนี้ขันมันต่องนี่หายยางนี้จะอะไรเช่นว่าอนหารสมักอาหารตะพนมันต่องมาละดูก้านตะกอนลูก้านกตมาณะกมถือ โ, โตท่รา ถ, ถึงฟั้งนี่แหะก็ อุตจักระมันติดมันตึงผู้ขี่ม้ามันหลงมันเศร้าโศกเสียใจฟุ้งส่านน้ำข้านบานนี้มันกัดจังสีมาว่างโตโมหาคือข้อมหลวงมันข้อมหลงเป็นโตชุดผ้าขันตัดข้อมหลงไนก็ได้แล้วสำเร็จแล้วขอลหันตะพนในผลเนี่ยบ้านเซตถิ่นภารกิจบมนี้หมดเป็นทังไันอันมันมันเหตุใด มันจะไปตามคำตามสอนมันนี่อยู่คนข้างผมไปยังไงแต่ฮัมบอจักรฮับอรค่อยไปฮัมบอร์ก่อยง่ายมันไเคลื่อนแต่หไหนนี่จะหลงโรนนี่จะติดโรดนแนว่ยมันไม่ง่าย ก, กั น, นหอกกานเขาไปแล้วเขาเห็นแล้วเขาหุ่จักแล้วสบายบานบมติดบ่อของไช้แล้งไปง่ายเลดแต่บ่ท่านค่อยไปมันงายนี่จะแน่วจากไหนนี่จะแนวปอใจโรดไปมันบอว่าของดีของละเอียดของสงบายมันเป็นแนวนี้นดอก บอลออกเนี่ออกงาคือก page page uh, so page the page ันคือกันเขากับเขาง่ายออกก็ออกง่ายแค่ไปดิดแล้วแล้วเลยบบนันดิดแล้วดิ้ดทุกดิ้ดยากเลยขั้นออกไปเนี่ยขั้นตัดมนอยู่เลยกมหลงมอมีแล้วอยู่ในใจห้องก้มหลงมอมีกบมีดแต่กุดพระแต่่าปุรุผู้เดียวหวานยังแต่ปุรุที่ใจผู้เดียวปล่อยมัตติมุดยังมัตมดเลยว่างว่างนี่ผู้เดียวยังไนมอมี่ยังหวานอยงว่าง นี่จะควมดูยุคเดียวหวังบ้างอี่คือมันเลยสบายเลยมันมีเนว่ยไปว่นมัน ม, มีนเนีนเ่ยไปเกาะไปติดใจเองเลยนี่เหตุจังสี่ทุกคนทิจเจรณาให้มันเข้าไปจังสีให้มันถือตามช่างมันมากมันนี่เป็นชางมากอยู่โซดาจะติดข้าค่าอนาค่าอนาหารมัตสองละได้เป็นขันเป็นขันตกเป็นผักไส่ผักมั่นมาตามลำลับมาก ไมันหูจักมัดตรวนได้มัดหูมดเห็นมัดผมัดจางแนวจางพัวจางหูจักว่าสมดเด็ดจิ้นพละนาทีการงนขันมันบัดนั้นเห็นกันมันบมหูจักตั้งกันมันก็หลงโลกยึดแนวติดโตกขันมันบวติดมันจงหูจักโลกบานโลโลกอย่างแจ่มแจ่มง่ขึ้นมาหาหมูหาพวกทั้งโลกบานขันไปติดแล้วมันกับบ่มีอติจตั้งแง่มาอันได้มั น, antic, มนกบดใจยังแนว มาเห็นนั่งมันกับโติคือเก้าวหาอันไหนอันใหนว่าดีว่างั้นมันกับว่ดีบ่างั้นแจ็คเน็ตเพิ่งกับว่าทุกเห็นอันนี้นี่ก็คือทุกอันนั่นก็คือทุกอันนี้ก็คื อ, อทุกก้อนทุกตัวทุกงูกทุกตั้งทุกเหลียวไปอย่งทุ ก, บกเบาเขาเห็นเนี่ยว่ามันส บ, บายหูเขาไปอยู่หูบางๆอยูมันติดไปยังสีบาทนี่แบบมันหูเดียวแต่ยังมาหลอมันกับโพตื่ น, บบน้ํานอกบานของนั้นเราชอบมากองปูนห่อป่ามันกับเบาลำเจ้า เอาไปยังกอนทุกกองทุกกองที่ดินมันจะไปยังมันไม่เกิดประโยชน์อย่างมันบกแก้ทุกให้แก้ทุกคือว่างม่นนี่เป็นแก้ได้ทำประยุท์ม่านนี่ก็เป็นทุกว่างม่อนนี่ก็เป็นทุกเท่านั้นมันจักจังกันบาดนี้อันนั้นคือว่าหูโลกอย่างแจนแจงมอมีบบนติดบนบังหูคัดเห็นคัดแม่เัาหมนบติดอีกจักเือเอาไปใช้กับโบติดหมุนไปใช้กับโบติดบันบองคัดหง ที่จับมันจะใช้มันกับปติบกเกาะแจ๊กเงี้ยวมุ่งจะว่าเลิศเลิศเผอิเกิดว่าดีๆเอาไปหลงมอนิมันคือเจ็งจะไปมันก็นัะเห็นมันเข้าไปหันมันจิหลงคือมูนแล้วโลดเพราะม่ท่านหลวงไปพวกแก่เราหนีคือกองทุกโตทุกเหมันปติบเลยมันพวกเกี่ยวเลยนั่งจังละไรเป็นสัตว์อันั่นแหละจังมาลู่โลกกลางเจมแจงจังเว้นไรหมันจังตัดได้จังเป็นผู้คนถูกคนหางได้ ขันโมท่าเห็นจังสั่นมพิจารณาหู่จังสั่นโมเกิดจังสั่นบมแรีเลยมันของหนักอยู่จังไวยังไามพิจารณาไ้มันไขมันหูมันเห็นในตัวเองถ้าไปเฮาเกิดมาเป็นยังไงพบท่วนหันหูขึ้ไปเบิงมันไหนพ้นดีบนไหนพ้นสุขสบายบไหนบงน้าจักสุขมันก็จักเกก็บาดขันโมเห็นบนอื่นกเบิ้งตามเฮาเกิดมาจือได้ พิจารณาเสี้ยวมันบม่มีบอลสิทธุเจ้ามองนี่จะบอลถูกบอลยากเมื่อไรจะจมมืองกันเมื่อเห็นมาจมมาถุกกระเทียมจมวัดถูกๆลงกันมันเป็นแนวล่ะที่เอาบอลไหนบอลสิทธุก็คือเป็นกันเดี๋ยวโค้นไปมาหาหลังหันมันกระเบื้อกัานาเราเองมันดอกเดี๋จังกันนี้เขาบเกื่อพอเขาบอพิจารณาชื่อได้ยินไคกระดายนบอพิจารณามันนี่จะหลงเพลิดหลงเพลินไปตามอารมณ์ของโลก ทีเขาบอกแนวดีกับวาดีไปซะสัวกับวาสวนเขาไปซะดอกบัวทิจจันนามันเนื่อยบ่งสักบ่หู้วาทุกวาทุกอันไหดีอันไหสัวพวกคนกักให้ไปอรรถสก้นตาบอดนี่ไ่งที่แนวดาวมันเป็นแนวนี้อย่พิจารณนไม่หานตั้งอกตั้งใจทนที่เอาเห็นมันหนีจาทุกหนพิจจันาเนี่ยเเห็นเบื่อมันนายบ่เมนหลอกเอาเองนีนมันเป็นที๋บ้านเบื่อบ้านนายหนึ่งกัน มันจกโปกจกโกอี๋บ oh ีบอเมนห้าเวเอาบอเมนห้า oh คือเอามันติดหูเบิงเห็นในีเบิงแจ้งในตาไมใจห้องคาถาเนี่ยมันจะอยู่ได้หมดไปก็ได้มันก็ติดมิร้อนตัวมันจะอยู่ไปอย่างอยู่วอมีแนวสีเอาวอมีแนวสีได้อยากได้มันก็ไปอยู่น้ำเข้าสีเอาไปอันไหนบานสีอยู่อันไหนสิกินอันไหนสีใส่อันไหนมันก็วอมนแนวคนมีแนวสีเอาวอมของเข้าต้องหูจับต้องตัดแนวเพินว่ามันงงสู่ใจรัก มันว่างนะอันนี้จังคือของโมเดียงถูกขังกลมเป็นถุกหน้าตาเหมือนห้าเมืนเขาเป็นของปกติของโลกมีจค่สี่แต่เรื่อยว่างถูกกลมเป็นปกติปกติคือสบายนะใจก็เป็นใจหวานดินก็เป็นดินโลกก็เป็นโลกอย่งที่มน้าใจก็เป็นใจรถมาเที่ยวกันวันแต่ว่านาทีใส่มันดินกับท่านาทีฟ้องดินน้ำเป็นนาทีฟ้องน้ำ ล้มที่ของล้มไฝหนาทีต้องไฟ่ใจหนาทีต้องใจขึ้นหูจืดมันจะว่างเกนมาเป็นปกติหวานสัมไรดรถบอมี่ผู้ใดเกิดได้ตายหวานบอมี่ผู้ใดแก่ได้เจ็บได้ตายบอมี่สมมุติบวานบอสมมติก็ไม่หวานเอื่นว่าธรรมชาติเป็นปกติบอสมมติว่านั่นเป็นอนั่นอนี้เป็นอนีุมันเป็นปกติมันว่าเรื่องของธรรมชาติเป็นปกติ โดบ้วผเกิดผูแก่ผกเ็บผู้ตายผู้ดีผู้ตั่วสบายอรรถบัณฑ์โยใยมือมั่นบกหอบเกี่ยวกันบวชหวงบวงเห็นง่ายบวยึดบวถืออันไหนเป็นของใสของมั่นบ้างก็อย่สิมันก็เลยสบายจังสันแน่วให้มันเป็นจังั้นให้มันถึงจุดนั่นแต่ลราค้นเะาค้นให้ใจมันล่งจังสันขาบวลงจังสั้นบวแมนขาคึดเอาดื่อือันบวแมนงายใช้แบบนี้ง่ายดูคันิจารณ์หน้า การไหวเฝ้าเฮ็ดเฝ้าท่ำมันได้เกิดมาแล้วมาปรอกระพุธประท่ำประสงแล้วมันเกิดมาช่วงพุธประทรมประสงโมี่นั่นมนีผู้บอกเขาได้โมนีผู้ิีข้างออกโมนีผู้บอกข้างไปยุสีนะผู้จีแนะนําคาสอนหาวันทั้งกับีกับมนีถึงมีวัดมีผู้วายประจานกับสร้างโมนีผู้หูเนี่ยข้ากระวอกเนี่ยั้างบ่ได้บอกครัให้องจักกับ่ได้เพราเป็นโมงจักเป่นบอกว่าอ็ด เพิ่นมองจักคนทั้งไปเพิ่นก็ะซำเฮ้ามีบาทขันมอรปฏิบัติก็ะําเฮ้าต้องเจ้ า, า, ากระห่างกูเฮ้าอีกซ้ากามีพะมันมองจักเงี้ยเหตุ จ, กกบบนะตจักเหตุจังไหนมัวตบวี่ซื่อดนางแอยู่ซื่อบอจักเงียเหตุติดพิหกองมองจักนั่นนี่ยมันขาดโคอบรมแนะนำคำสอนปบขาดบอศึกษาศึกษาหาลืจังที่นาเราจังไหนเหจังไหนมองจับรถบ่ไปห้างไปซะ อยู่ไฝอยู่มั่นก็สันมันได้บ่งชากเยี่ยนกต่กเยื่นนี่ดอกเยี่ยนแล้วบบปฏิบัติมันบงชักเนี่ยที่เหตนยมันอยดือเห็ดบบเป็นมาจากเนื้อเหเป็นทังที่แล้วควมันสุบได้บเกิดบวมีมีโชคดีเขาเกิดมากพ่อพระพุทประทัมประสงค์ผู้ที่ข้างออกบอกข้างไปตมีสมัยนี้มันยังมีหลายอยู่ผู้คนเจงผู้คนมีความสามารถผู้ว่าอาจารย์เท่าร้าย คนจับข้างออกบอกข้างไปทีแม่แห่งเขาจับบนไปบนมากนิ่งอยู่เทาห่างสี่ลายของเท่าที่่สนใจไปศึกษาหาข้อลูลม่ไปฝึกไปหาเหตุนหนมันสิดหนี้ได้อยู่จากไหนมันติดเป็นประโยชนถ้าไปแต่มากบล็อกคน้นควาจะเกินนอาจะหลงเพลิดหลงเทิ น, ทนการเหตุการณ์ทำของเราจะละมื่นละเวน้นกินแนวกับนอนนอนเพลินเพลินก็ไปเย็ดเพราะนั่นงาที่นี่เออนั้นโดกคนไปนางานศักดิ์มันหลงในกรรมเ่ มันมอจักคิดหาทางออกก็ะเทือนบางใจมันอยู่สำหนังบางมันพอป่โรกอัมันจิก็เต mm. ็มไปจังอื่นมันเอาคืดวางเกิดมาน่ะมันดใจมันจิตายไปแล้วไปแล้วไปเนี่ยคืดวายังสั่นมันแดีวเนี่ยตายแดี่ยวๆโรคโบกันเช่นอีกคืดตำนักมันก็จะตำหนักเหนื่มหานเข้ามองจักเนี่ยมันก็เกิดอีกคือเต่านี่เข้ามอูหวานเกิดไม่เมงจกว่าเข้าไหนเกิดที่บ้ามื่อวานนี้เขามาเกิดแต่แ้วของลงจัก ว่าเป็นแม่เหล่าไปซื้อมันบม่เป็นสันสี่หล่าคนบงหุจักเจ้าของมาเห็นเจ้าของมันก็บงหุจักแล้วมันก็หลงมุ่งสั้นหาห้แล้วมันติหูมัดบวานก็จังสั้นมาจังสี่ไปจังสั้นมันหูเรื่องของเจ้าของมัดจิจนาไปย่านเรื่องรูมันติเกิดเกินขันคิตใจเขาตะลังสวยแล้วมันติบอกมัดขุมบานที่ข้างออกบอกข้างไปมันติตรวจเซ็กหิ้งเขาบึง เริ่มเกิดมัดจฉัยเบื้องต้นจา ก, จมากสม้าสไยมัจจิแสดงของเบื่องเป็นประวัติของเฮ้าเนี่ยนะประวัติของเฮ้านับจะมึงหลงโลกคุณจป ก, กรพรรวิโฮไรตกลางเริ่มหลงของมาทีิแหลกคุณมัจจิผ้าเบื้องมัดตรวจสอบมัดที่แหล ก, ม า, ม, หลกมาจัง ก, กันไปทังกันไปหอดหันดูหันยูนี่ให้หุ่นจับเออจักรเนอร์แห่งจิงตันเนี่มันจิแสดงของเบืงงบ้งนกัน มันจังแม่สี่ห่เรื่องของเจ้าของเห็นเจ้าของดีหน้าจังสรรั้นพิจารณาปล่อยเบิงไปกัน้นวัดศิษยแสดงให้ดูวัดเรื่องของเฮาเป็นจยงไนม า, ากตรงไหนกัะเดินฟาตวดตาเบิงเอกเบิง้งหกแจ้งหาใจเราคนเป็นผู้ดีคนแสดงเบิ้งผาถ้ ำ, ถำนน อ, อ่านัวเห็ดมาท้ำมาน้ากำเฮ้าเห็ดไว้น่ะตั้งใจเริมแร่ผมจนหอกมือนีผเสนมัดบาท เขาก็ดีใจเด้ยวเขาหูวจักเรื่องของเขาหัวจักว่าโอ้มันเกิดโดนปนีส้วนเขาเห็ุจังที่ส้วนอยู่หันไปเกิดจังทันเป็นจังันทันมันก็จะดงเรื่องของเขาให้เบิงเป้ามหูไปเห็นไปก็เกิดค่วมเบื่อหน่ายจนตัวมันสัตว์ไสตัวนี้จะปุ๊กจะยากเป็นจังทันจังที่เรื่องแนวนั่นแนวนี้มันจะเห็นเม็ดบานแดงให้บ้างหนึ่งมันก็อิ่มมันก็พ่อระบาดมันจะไม่อยากเกิดอยู่ด้บาน โมจะเดี่ยวอีกมันก็จังสีว่างมันจังสิสบายหายห่วงหายช่วงใส่เนโรกันอีกถ้าอันยานไ่เกิดแม่หนึ่งอันย้านมันบกเกิดโมเดี่วหรอกมงจักโมสิ้นสุดจุดจบพัตนีอันย่านมันมีโมขืนซะก่อนนั้นจังเหตุเห็นมันเถึงชุดตันนีอีเถิงชุดปันนีได้จะอาจัยก้มว่างของใจได้บาศพระวนาเจ็ดไปเอิญสมาธิก้มตั้งใจมันนั่น่ะ ให้มันนีตัวเองยี่มันบ้างขันหาเดี่วมันจะอยู่ไปใจได้บ่านใจเทานั้นภาวนาไปเนี่ยนาท่านนั้นบ้างลูกขันหาหว่ามันเดือนนานมบ้างเดีวมันทีมีเตใจอยู่ในกายนี่มได้ใจบวมันก็เลยอยู่หว่างบ้างของมันเนมันจะไปอยู่กับกายบวานมันเห็นแต่ควมบ้างของใจด้วยฉันทน่ะต้องควมบ้างนั้นไว้อันมันว่างว่างสว่างสบาิงั้นแะมันจะเห็นเองบ้านยากอันว่างที่เกิดขึ้นขันนี้ทั้งสัตวอยูว่างว่าง มัต้องดูต <S. Moon> ้องคิดต e ้องปรุงแต่งอีเนี่โต้ยังกันว่างว่างแรงั่นอ่ะมันจะเกิดขึ้นในกระดองของมันมันปรากดกระดองของมันเห็นโต้ยังกันยัดไปคกิดเจิปรุงแต่งบานบ่ดนเพราะแสงสว่างของใจมันมันงงเป็นทีบานมันก็พู่ขึ้นเพรานั่นกรรมอันเทียดไว้มันทนคว่ำสว่างสวยบ่ได้เรื่องสมองคือกิเดลสมันก็พู่ขึ้นม่าใจมึงทรมายใจไปเห็นกันเนี่ยมันอาศัยคว่ำว่างของใจ แสงสว่างมันันเกิดขึ้นเต็มที่มันกะเห็นมืดนิเดนซิลอยุไซกาดีโบไลพอมันเป็นเครื่องส่องมองที่หนึ่งมันสามารถมองเห็นได้มันบอคือความสว่างของใจใจสว่างมันสว่างมืดเอาลงนิดนซิลีมันโบไลดีใจมองเห็นใจดีหนึ่งใครเห็นใจยางสั่น้างของวิญญาณมันของบปินมันโบเกิดย่านนันย่านแนวนมันโบเกิดใครเห็นใจโบว่าง การเหมันว่างยิ่ันใดมันจะเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นแนี่มันหัเท่าไรผมยังจเกิดดู้วยเกิดแสดงเหรอบงคือแสดงเรื่องของเฮาห่เฮ้บังให้หูจักเรื่องเหตุมากทำมากทำดีทำตัวจะหนจะไนมูจักเมื่อถ้ามันเกิดขึ้นตะระเทือระเทือมันก็ได้เป็นมักแต่ละมักโดดเลยบ่เกิดดูด้วยเด้หรอพรรษวาสีใดโตดามักมันก็เกิดขึ้นอะไรเทนเห็นบนตัวพักเพักเห็นโลก เห็นปุ่มบอลสุดปุ่มตรวจทอดบอลชุดลดใ จ, ใจหุ่นบันจนใจเฮาน่มนับสบายดีอกใจผมมันต้องหายไปย่านจะหายไปได้ก็ปล่อยในเฮาหนึ่งเสน่ห์บันอย่างที่ก่อกนก็อีปัดพูนคนก็ดนอีแต่ไม่ย่านต่อไปผโออันมักต่อไปมักต่อไปราตะกิตพัก้าอังศิันเมือจีได้มันจะเกิดอีบันปุ้นทอดอนาค้าจะเกิดอีคือเอาน่ะ อนหันผลที่เกิดอีกจังสีมันโมมนต์จะเกิดอยู่ได้แต่มันเกิดแด้มันต้องในโน่นพอมันแสดงถึงที่สุดถันมันเกิดมันจะตรวจเขาเห็นวัดเจ็ดเห็นวัดหู่วัดจังมาลู่แจ้งเพื่นจังเอิญว่าพระอริยะบุคคลเนึ่ยสี่จําพวกโซดาสกิทาก้าหน้าข้าถึงมาเป็นพระอริยเจ้าผู้มองเห็นภายใท่านแล้วเห็นท้างที่ไปที่มากสุด